สมรสกันแล้วก็ตั้งเมืองที่นั่นแล้วเอาชื่อของต้นไม้ที่นั่นต้นโกลาโกริยวงศ์ได้ถือกําเนิดขึ้นณที่นั่นเองแล้วเมืองที่เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเรียกพยัคฆปตระหรือเทวะทหนครนั่นเองครับพยัคฆปตระคือทางเสือเดินครับคล้ายๆแก่งเสือเต้นบ้านเราทา ง, นะทางเสือเดินเพราะว่าถืออนิมิตที่เสือเนี่ยนาไปพบกับ พนางปริยาจึงได้แต่งงานกันทางเสือเดินพยัคฆบัตต์ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อจะโยงให้เห็นว่าเมื่อมาตั้งกรุงก บ, บิลพัทแล้วเนี่ยพวกศักยะย์ไดส้สืบสายมาซึ่งต่อมาพนางปริยาเนี่ก็ซิบบอกบุตรว่างันว่าพันพระองค์นี่คงจะเกินมานะผู้หญิงคนเดียวคลอดบุตรพันองค์แต่หมายว่ามีบุตรชายมากเมือ่อหลังแต่งงานกับองค์รามาของพระรานสีแล้วนะฮะซึ่งก่อกําเนิดโกริยวงศ์แล้ว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 พวกทิดาของสักยราชเนี่ยชอบมาอาบน้ําที่แมน่น้ําโรหินีซึ่งเป็นแดนต่อแดนนะฮะระหว่างเปรลพัทกับเทวะทตุและให้ช่วยโอกาสนั้นเนี่ยอุ้มมาทีละคนเลยต่อมาเกิดผสมผสานก็เกิดเป็นสองวงและเรียกตัวเองว่าสักยะทั้งสองวงคือสักยะแห่งกบิลพัทและสักยะแห่งเทวะทตุดังนั้นต่อมาก็ผสมผสานกันเองตลอดนะฮะเราพบว่าแท้ที่จริงเทวทัศน์ไม่ใช่ใครอื่นนะ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 ท่านอาจารย์ส่วนโมกนะครับได้พูดเปลยว่าผมเชื่อว่าเป็นออสตรารอยนั่นนะซึ่งประเด็นเนี้ผมตกใจมากครับว่ผมรับไม่ได้เพราะมโนภาพเกี่ยวพระุธองค์นึงช่างสวยงามเหลือเกินแต่ก็นึกไม่ออกว่าจมูกท่านเป็นยังไงหน้าตาท่านเป็นยังไงแต่ก็ทําให้สวยให้ให้ดีที่สุดเนื่องจากรับภาระในการปั้นพระรูปนะฮะแต่เหตุที่ท่านพูดเปลยคํานั้นฮนะแม้จะไม่เน้นทําให้ผมต้องค้นคว้ามากทีเดียว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 พวกสักยะในเนปาลนั้นพูดภาษาอะไรถ้าเขาภาษามันออกไหนเราสืบสาวไปได้ทันทีครับเอ่อเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าทรงมีไอ้ blood g r o u นะฮะ group ไหนคือเราทําไม่ได้ไม่รู้ว่าพระเจ้าเลือดกลุ่มไหนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้เรามีวิธีที่ดูนะฮะครั้งอดีตเราคิดว่าชา น, นแดงในอเมริกาเนี่ยเป็นเผ่าเดียวมองโกรอยซึ่งหน้าตาก็เข้าเค้ามากจะมีหลักฐานโต้แย้งครับกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากัน นั่นมีเรื่องหนึ่งที่ในปา น, นั้นมีกลุ่มประกอบไปด้วยเผ่าหลายเผ่ามากอย่างน้อยสุดท่าที่ผมทราบมีถึงสิบห้าเผ่าและเผ่าหนึ่งชื่อสักยะและสักยะนี่อทอดมาจากจากอินเดียครับเราซ้ำไปนิด น, นะฮะจงทว่าพระเจ้าประสิทินิโกสนนะครับเป็นกษัตริย์ของแคว้นโกสนนะ ซึ่งเป็นเจ้านายของกบิลพัทกบิลพัทเป็นเมืองขึ้นของพระนิโกศนะฮะกบิลพัทไม่ได้เป็นเอกเทศเอกราชอะไรที่ไหนดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าพรเเศนิโกศหันมาเลื่อมสายพระเจ้าแล้วองค์ท่านอยากจะเป็นพระญาตให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกับฝ่ายของพระพุทธเจ้าจึงทูลขอขติยนารีจากศักยวงศ์ทีนี้พวกศักยะเรารู้กันแล้วเดี๋ยวนี้นะว่าหญิงขนงในสายเลือดไม่ยอมให้ลคนบเพื่อนไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชาย ดังนั้นเกิดการหลอกลวงครั้งมโหลานขึ้นหนึ่งครับคือลูกซึ่งเกิดแต่ธาตุนะ ค, คือเป็นเป็นลูกที่เกิดจากธาตุจะเรียกสักยะก็ได้ไม่ใช่ก็ได้นะฮะมอบให้พระเจ้าพระเศนที่โกศลไปเป็นชายาพระเจ้าพระเศนโกศลยกขึ้นเป็นมเหสีเลยนะฮะด้วยความอยากจะเป็นญาติกับพระเจ้าให้ได้นะฮะด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นซึ่งเป็นการกระทากรรมครั้งใหญ่ของพวกเผ่าสักยะต่อมาเมื่อพระราชบุตรองค์แรก ของพระเจ้าเประเซนติโกสนอันเกิดจากนางทาตุคนนี้นะฮะคือวิถูทพระขึ้นมาเป็นยุพราชแล้วนี่นะแล้วพอได้ครองราชสมบัติแล้วรู้ความว่าตัวเองถูกหลอกเมื่อเสด็จกลับไปเยี่ยมเมืองกุตานะฮะคือท่ามหานามสักยะนั้นพวกนี้ก็แกล้งหนีไปเที่ยวบ่าไปล่าสัตว์กันแล้วปล่อยพวกทาตต้อนรับต้อนรับนะเพราะว่าการที่รับแขกซึ่งเป็นวรนนะซึ่งด้อยกว่าตนถือเป็นบาปเป็นกรรมบาปของเขา ที่บังเอิญเรื่องที่จะแตกขึ้นก็คือวิตูธภ菩萨เมื่อเสร็จพิธีเยี่ยมญาติแล้วก็ลืมพระแสงไว้ในเรือนนะครับในเรือนต้อนรับทีแรกก็ไม่เฉลียวใจเพราะเขาก็ต้รับดีเพียงแต่อ้างว่าญาติผู้ใหญ่ไปป่าหรือไปติดทุระเมื่อลืมพระแสงก็ยวนกลับมาแต่ลําพังเขาไม่มีทหารมาด้วยเห็นพวกทาตกําลังล้างเอานมน้ํานมลาดพื้นถูกันใหญ่เลยเมื่อซักซ้ายได้ความว่าทาตนั้นคงไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมเข้าใจว่า โดยปฏ so <pod> ิบ so ัไหวพริบของวิจุตุปาก็รู้ได้ครับว่าการที่เอาน้ำนมราดพื้นแสดงเป็นเรื่องอัปมงคลเมื่อสักซ้ายได้ความว่าเรื่องราวฉะนั้นแล้วก็โกรธแค้นพวกศักยะมากครับเพราะตัวเองเป็นเจ้านายด้วยนะเป็นเป็นผู้สืบทอดอำนาจของโกศลเหนือกว่ากบิลพัทอีกก็เลยเกิดการแผนการล้างเผ่าพันธุ์ครับซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จช่วยไว้ อย่างน้อยสองครั้งครั้งที่สาทรงพริจาถึงบุพกรรมของพวกสักยะก็ได้ทําบาปไวมากดังนั้นก็ท่านเลยละวางในสุดวิทุธพระก็ล้างเผ่าพันธ์ครับแต่ผมอยากจะเล่าในเกล็ดซึ่งมีประโยชน์บ้างนะครับในทางธรรมก็คือครั้งแรกสุดที่วิทูธพระกรีทาทัพมานั้นพระพุทธเจ้าข่าวทรงเข้าหูของประกันของพระเจ้าท่านเสด็จไปห้ามทับวิธีห้ามของท่านช่างเป็นวิธีที่น่าน่าสนใจมาก หรือทานรู้ว่าเส้นทางเดินทับผ่านทา ง, ทางไหนแล้วท่านก็เลือกนั่งในต้นไม้ซึ่งไม่มีใบเลยครใ บ, บโคลนและแดดจ้าท่านก็นั่งพักอยู่วิถีพภทธะนั้นมีความรักเลกเกรงใจในพุ้ทีองค์มากเมื่อเดินทับผ่านทางนั้นเห็นพระเจ้านั่งแดดจ้าอยู่ก็ไม่เข้าใจครับถอดรองเท้าเข้าไปถาม ว, ว่าทําไมมานั่งอยู่ในที่ที่ไม่มีร่มมุงบังเลยแดดร้อนชนีพระเจ้าทรงตรัสโดยย่อว่า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 คขวนโกศลเหมือนพวกศักยะกลุ่มหนึ่งก็ห น, นีไปที่ที่ลาบลุ่มกัดมานดุคือประเทศเนปาลทุกวันนี้แต่ไม่ใช่เนปาลครั้งกันโน้ดครั้งกันโน้ดไม่มีประเทศเนปาลชั่นเหล่านี้เองที่ไปสืบทอดเป็นศัจยะซึ่งเดีนี้มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ลุมพินีตานที่พิสูจน์นั้น ท, ท่านจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยครับท่านเป็นเผ่าศักยะแต่ผมไม่รู้จะทําไงเห็นผมท่านว่าเป็นร้อนหรือเป็นขมวดเพราะท่านปรงผมตลอด ผมเองคลางแคลงใจเพราะว่ามันยากที่ปรุงใจเชื่อแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรอื่นที่จะไม่เชื่อที่น่าประหลาดก็คือผิวพันธุ์ของชาวในปานเหมือนกับผิวคนไทยนทั้งๆ ท, ที่อยู่ติดฮิมาลัยนี่เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งซึ่งผมเมื่อไปที่ในปานแล้วได้ข้อสังเกตผมกลับมาเล่าให้ท่านอาจารย์สมมุฟังบอกผมพบสิ่งประหลาดอันหนึ่งตรงที่ว่าตามธรรมดาแล้วโดยลักษณะภูมิศาสตร์นะคร คนที่อยู่เขตหนาวผิวย่อมขาวใกลส้สูญสูดผิวย่อมคล้ำโดยธรรมชาติอนะฮะแต่ทําไมคนที่อยู่ที่หนาวเยือกเลยที่นั่นนะฮะหนาวขึ้นมาจากอุตรประเทศเองนะชาวอินเดียยังผิวขาวเลยตอนบนนะแต่เนปลาลเหนือกว่านั้นนี่ผิวกับคล้ำ <c oughs> ผมคิดว่านี่เป็นการเพึ่งออกไปยบไปอยู่ครั้งไหนก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่คนท้องถิ่นแน่ท่านอาจารย์้่านบอกก็จดไว้สิหลักฐานนี <c oughs> ่นั่นว่าอย่างนั้น เออแต่ว่ามาจากไหนเราไม่รู้ครับเพราะว่าเส้นทางอุปยบเหมือนที่ผมตั้งเขาเด็ดต้นว่าจากซีกซ้ายคือตั้งลุ่มน้ําสินธุนี่ก็ได้นะฮะหรือเส้นทางเก่าที่พวกข อ, อ, อ, อกแกซอยได้อุปยบลงมาในอินเดียก็ได้หรือไปจากอักษรซัมก็ได้ครับอบพปยบไปทางนั้นก็ได้ทางไหนแน่นี่คือตั้งเ้าความคิดนะครับแต่ทางอักษร์ซัมนั้นไม่มีเขาไม่มีหลักฐานโบราณคดีเลยแต่มีหลักฐานอยู่อันหนึ่งครับ ว่าประเทศไทยโดยเฉพาะที่บ้านเก่าเมื่อ30มสิบปีนีการขุดค้นบรางดีที่บ้านเก่านะฮะที่อำเภอสยองนี่เองพบว่าเป็นประตูการอบยพครั้งสําคัญแต่เราจะเพิ่งปักใจวันนี้คือคนไทยไหมครับตอนนั้นไม่มีประเทศไทยครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณสองแสนปีนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้พราะไม่แน่ใจนะเกิดการขุดพบเครื่องมือหินขัด ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกำมือของมนุษย์ธรรมดาสามัญในสมัยนี้แล้วก็เรียกเ้าตั้งชื่อมนุษย์ยักษ์นะฮะก็ขึ้นต้นนําหน้าชื่อทางวิชาการว่าจายแอนนะฮะเพราะพบกระดูกเอกรามนะฮะฟันเนี่ยโตเป็น2เท่าของมนุษย์ปัจจุบันนี้แล้วในฮ่องกงก็นักโบราณคดีก็พบโอเเซอร์ออคนหนึ่งก็ค้นพบในร้านขายยาจีนครับถูกเรียกว่ากระดูกมัองกราดที่จริงเป็นฟันครับฟันของมนุษย์สมัยโบราณ นักโบราณคดีไทยได้ถแถลงว่าประเทศไทยไม่ใช่ประตูผ่านของมนุษย์หยึกดําบันเท่านั้นที่ยบยบแต่เป็นแหล่งกําเนิดนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับในครั้งหนึ่งหลักฐานหลายด้านถูกฝังอยู่ในเกลือนบนรัฐครับก่อนหน้าที่เกลือรัฐจะถูกสร้างขึ้นโปรเฟสเซอร์วิ น, วนเฮมสันไท่โปรเฟสเซอร์ของทางโบราณคดีของฮาลาฮาวายได้พบหลักฐานมากมายว่าชนที่อยู่แถบนี้เป็นกลุ่มแรกของโลกที่รู้จักปลูกพืชไร่เขาพบ เกรนของข้าสารในหม้อนะซึ่งนักนักพยาการแล้วเขาไต่ไปมากแล้วเขาค้นพบว่ามีการอุปยพจากบ้านเก่าไปถึงทวีปออสเตรเลียและไปถึงยูนานเส้นทางนี้เชื่อมโยงกันครั้งยุคน้ําแข็งเอ่อพอมาได้เห็นนี่ได้นะครับแถบเขาแถบน้ําเงินคือทะเลน้ําลึกแถบขาวๆล้อมเกาะล้อมประเทศนั้นคือแถบน้ําตื้นน้ําตื้นมากดังนั้นครั้งอดีตนี่นะครับทวีปออสเตรเลียเนี่ย ต่อเป็นผืนเดียวกับแหลมมาเลจกนกระทั่งประเทศเลาในทีสุดเป็นผืนเดียวกันหลักฐานที่ไม่มีการพิสูจน์อันหนึ่งนะครับเรื่องแปลกตรงที่ว่าคนพื้นเมืองในวอสวเตรเลียนั้นนะฮะซึ่งเป็นเผ่าออสซาร้อยที่ว่าล่องเรียกหมูที่ก็เลี้ยงเนี่ยเหมือนคนปากใต้แถวสงขาและโนดอันนี้มั้งครับที่ฝรั่งก็ด่าผมคน <laughs> พุชชาวชาวสมขาร เขคิดผมพยายามที่จะพิสูจน์ที่จริงไม่ผมผมไม่เชื่อแต่ว่ามันมีเขาให้คิดครับตรงที่ว่าชาวพื้นเมืองที่นั่นเรียกหมูให้กินข้าวเนี่ยอย่างภาคกลางเรียกอ e ีทอีทใช่หครับรือเรียกอะไรแต่ภาคใต้เรียก a, wa, wa วาวาวาวาวาถ้าคนอายุรุ่นผมมันจะรู้ว่านี่ใช่เขาไม่เรียกหมูอีท e อีทเลยครับ a, wa, wa วาวาวาวและสิ่งนี้ชาวพื้นเมืองนอะอสเตรเลีย น, นะครับเรียกหมูให้กินข้าวด้วยเสียงอย่างนี้เรียก a, วาวาเหมือนกันนี่เรื่องน่าประหลาดอันหนึ่งคือ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 จิงโจ้มีสองชนิดครับจิงโจ้น้ําที่ขาวยาวๆที่เป็นแพลและวิ่งทะไหลไปในน้ำแต่เมื่อแกงกระูเข้ามาเราเรี้ยงจิงโจ้อย่างสนิทเลยไม่ไม่มีใครโต้แย้งแม้แต่คนเดียวนี่น่าประหลาดแสดงว่ามีการเชื่อมโยงสัมพันธ์อาจเป็นไปได้ครั้งหนึ่งเราเคยมีจิงโจ้แล้วเหลือแต่ชื่อแล้วยังหลงเหลือที่ออสเตรเลียมากไปกว่านั้นนะครับศัพท์หลายศัพท์ที่ชาวพื้นเมืองพูดผมเคยนั่งฟังชาวพื้นเมืองพูด ทำท่าจะเข้าใจทำท่าจะไม่เข้าใจเพราะเสียงเหมือนคนปักใต้พูดเราพวกคนบากใต้ออกเสียงตัวเอสไม่ชัดไม่มีไม่มีเลยครับสวยหามก็พูดอย่างนี้ครับคนใต้ก็จะงามขึ้นนาสิกนี่ไม่ได้แล้วก็เสียงชาวเมืองที่นั่นพูดคล้ายมากครับมีเหตุการณ์ครื่องหนึ่งเมื่อชาวงกฤษเมื่อขึ้นฝั่งที่นั่นเป็นใหม่พันจะเห็นตัวที่เราเรียกว่าจิงโจ้แล้วฝรั่งเดี๋ยวนี้เรียกกังการู่นะครับ เขกระถามชาวพื้นเมืองว่าตัวนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรชาวพื้นเมืองฟังภาษาอื่นไม่ออกครับก็ตอบว่าแกงกะระูปแกงกระรูปแล้วไอเดอร์โนคือไม่เข้าใจถามอะไรนี่ทอมมาผมฟังเป็นเผลอก็ะคาดแปลว่ากูไม่รู้อะไรต่องๆนะเนี่ยมันคล้ายกันมากอะแกงกรูแล้วมันแปลอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับแปลว่าไอเดอร์โนผมผมไม่รู้ที่คุณถามไม่รู้ถามอะไรเนะียพูด เลื่อยเฉยอย่างนั้นนะครับไม่ใช่หลักฐานที่แท้จริงทั้งสิ้นครับแต่มีหลักฐานที่น่าจ่ายจองมากก็คือชนพื้นเมืองที่ออสเตรเลียนะฮะ ร, รวมไปถึงปาปุน่นิวซีนี์ซึ่งเป็นเผ่าออสตรายเนี่ยเป็นเผ่าเดียวที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้ารอยพิมพ์เนี่ยมีรูปกรุงจักมากที่สุดในโลกรูปสไปรอนนะครับรูปอะไรนรั่นก็เรียกฮะก้นหอยครับ มากที่สุดในโลกครับมีหลักฐานใน Encyclopedia ะยืนยันเลยแล้วเป็นชาติเดียวที่มีเลือดกลุ่มเอ็มมากที่สุดไม่มีเลือดกรุ๊ปบีเลยนี่เรื่องน่าสนใจมากๆครับแต่นี่ไม่ได้วิสูดพระเจ้ามัรดาชาวออสเตรเลียหรืยออะไรกนั้นนะเป่นข้าวเงื่อนให้เราต่ายสวนสอบสวนมีอยู่มากทีเดียวนะผมซักไม่แน่ใจว่าจะลงเอ่ยได้ก็เออ สำหรับชาวทิเบตนะฮะชาวทิเบตเชื่อว่าพระเจ้านี่เป็นชาวทิเบตชาวทิเบตนั้นเป็นมองโกลอยแล้วก็สัดส่วนนั้นเห็นได้ชัดเลยครับว่าท่อนบนนี่เขายาวมากส่วนหลักฐานที่ว่าเมื่อพระเจ้ายืนจงแล้วแต่พระชานุได้นะฮะผมคิดว่าเป็นหลักฐานที่เต่นแต่ว่าเมื่อสองคืนก่อนนี้เองผมพบความล้มเหลวในความเข้มข้นของหลักฐานนี้เพราะว่าได้เห็นรูปของพระมหาวีระ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 อีกทางหนึ่งมหาวีระยังดำเนินต่อไปนะแล้วพระ า, าสดาสององค์นี้ควบคู่กันมาในประวัติศาสตร์ท่าทีกองสองพระองค์ไม่กระทบกระทั่งกันเลยแต่ภาษาวกนั้นชวนวิวาทกันอยู่เรื่อยไปแล้วศัพท์ที่เราใช้ในบาลีว่าเดรธีนั้นแต่เดิมนั้นเป็นคำกลางๆไม่ใช่คำด่าครับคือพวกนิครนาตบุตรหรือชนะ หรือที่ฝรั่งเรียกเพี้ยนเป็นเชนนะะศาสนาเชนชีเปลื่ยนะฮะแล้วเขาเรียกศาสดางเขาว่าติลถังกรแทนที่เรียกว่าสุคตหรือตถาคตเหมือนของเราติลขังกรคือติถะติถะคือเดียรถีครับติฐานี่แปลว่าพูดถึงฝั่งดิดครับดิดนี่แปลว่าฝั่งราชวารดิดแปลว่าฝั่งของพระราชาติถังกรนะฮะต่อมาคําว่าเดียรถีการคดาด่าจริงแปลว่าพวกนับถือ ติระถังก่อเท่านั้นครับเมื่อรูปสลักของติระถังกรอนองแรกคือมหาวีระยืนนะีฮะรายนิ้วเนี่ยแตะหัวเข่าได้เหมือนกันครับ ถ, ถ้าเราไปที่อินเดียเราไม่ระวังให้ดีหรือขาดความเข้าใหรือความรู้หรือช่างสังเกตเราจะกลับผิดกลาวถูกครับเพราะเหมือนกันมากๆเลยโดยเฉพาะพระติร ะ, ะถังกรที่นั่งขัดสมาดถ้ายืนนั่นเราเห็นก่อนคือเราเห็นอวัยวะเพศเรารู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าแนะ่ เพราะ เ, าเป็นฉีเปลือยแต่ท่านังขตมาตนี้เราจะไม่รู้เลยครับจนกว่าจะพิจารณาเห็นเส้นเล็กๆของเส้นจีวรเรารู้วนนี่เป็นพระเจ้าถ้าไม่มีเป็นพระหาวีระทีนี้ย้อนไปพิจารณาถึงองค์พุทธรูปอีกสักเล็กน้อยนะครับพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมีหลายแบบ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 ยกทัพมาโจมตีว่ากันว่ามาถึงแคว้นพิหารนะฮะว่าโจมตีพิหารแตกแล้วก็เสด็จยกทัพกลับอิทธิพลของกรีกก็มีประมาณ2ปีเท่านั้นครับทางการเมืองแต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมนั้นสืบทอดมาเป็นร้อยรปีครับแล้วสิทธิบัตรงกรีกจะมีวิธีคิดอีกอย่างนึงสิเกตดูรูปนี้นี่นะครับพระปางบาิีนิพานอันนี้คือปางทรมานกายซึ่งมีรูปเดียวเท่านั้นนีเป็นคติของคันธาระ สกุลช่างคันธาระทำไมครับทำไมถึงมีรูปเดียวจะมีรูปจำลองที่วัดเบญจะอยากไปดูก็มีก็ได้ครับด้วยเหตุที่กติความเชื่อหรือกระบวนทัศของชาวพุทธในอินเดียหรือกระทั่งบัดนี้นะฮะอยู่ตรงว่าการตัดสินใจทรมานตนกินอุจจาระอดอาหารนอนมันหนามทรมานนานานา้นเป็นก้าวย่างที่ปิดพลาดของพระเจ้าชาวพุทธไม่ถือว่า น, นี่เป็นผลสาเร็จ แต่คืนที่นั่งใต้ต้นโพ้นนั้นต่างหากคือผลสาเร็จแล้วท่านชาปุ้ดไม่ยอมทำอะไรปางทรมานของพระเจ้าคือปฏิเสธนี้เป็นความผิดพลาดของท่านอันนี้สําคัญมากนะแต่คติของโยโนกหรือกลีกถือว่าทุกอย่างนี่เป็นดราม่าของชีวิตคนคนหนึ่งังนั้นไม่ว่าไปทําอะไรก็แค่คคมองเป็นเรื่องเรื่องพระเอกหนังนะครับทุกเรื่องทุกตอนเนี่แล้วก็ปางสุดท้ายวาระที่จะจากไปยังแสดงอารมณ์เศร้าโศกคอตก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 นะก่อนตรัสรู้เจ้าชายสิทธฐานนั้นยังไม่รู้แจ้งกระหายที่จะสัตรู้ยนะสอนผู้อื่นไม่ได้ถ้าสอนก็สอนไปโดยความไม่แน่ใจเดินด้วยควา ม, ม ง, งุนงงสงสยัยเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยกิเลสเห็นได้คืนที่ ม, มาพรพจนแม้จะบวชแล้วก็ตามนะแต่สําหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ปรารถนาการตรัสรู้อีกแล้วเพราะท่านตรัสรู้แล้วไม่ต้องการ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 ผมเองไม่สู้ชอบฝรั่งที่ชอบอาจารย์ว่าลูกกลางเนะี่ยที่ตรงปฐมเทศนาเขาเรียกกันว่าโมนาลิซ่าแห่งตวนออกท้องท้งเสียงมันมันรับไม่ได้มันคนละความหมายนะส่วนภาพนี้นะครเป็นภาพที่อยู่ในรับสภาของอินเดียทุกวันนี้เป็นเหตุที่ไว้ที่นี่เพราะเป็นภาพที่ผมเองโดยส่วนตัวรู้สึกสวยมากนะฮะงดงามมากแล้วก็เยาารันเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนั้นเมื่อ เราติดคุกเคลื่อนไหวในการเมืองเ น, นเอารูปนี้ครับพกติดกระเป๋าไปมิราทุกขึ้นมา น, นอนดูผู้นําทั้งสองคือคันทีก็ดีหรือเนรุก็ดีนั้นแม้ต้องแสดงบทเป็นผู้นําของฮินดูแต่จริงๆคุยกันเรื่องพระเจ้าเนบ่อยมากเราก็ถือว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในอินเดียมีสองละลอกเท่านั้นนะคือละลอกแรกเมื่อเจ้าชายสิทธิศรีออกบวชและพระพุทธเจ้าได้ประกาศทำทำให้อินเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับ จากเมืองที่เป็น อ, อ, อนาระยะศึกสงครามระหว่างแคว้นเล็กแคว้น้อยนียน่จนกระทั่งส่งผลเป็นอโศกมหาราชขึ้นมาสร้างจักรวรรดิแห่งธรรมะขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีในโลกนี้นครั้งที่2ก็คือการรวมฝันประชาชาติอินเดียซึ่งผิดแผกแตกต่างหลากหลายด้วยมหาธ ร, รมะคันธที่ันธที่สามารถรวมติดอีกครั้งหนึ่งของละลอกนี้ครับที่ถือเป็นประวัติศาสตร์การเคลื่อนไวหวทางประสาทอันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ส่วภาพสุดท้ายทางซ้ายมือนะฮะสองอันนี้เป็นเป็นคุปตะราชวงศ์สมัยใต้คุปตะอันนี้เป็นมัทธุราครับในสมัยคุปตะนี่เองครเราเห็นรูปลักษณ์ของใบหน้าของพระุทธองค์นะฮะของพุทธรูปเนี่ยใกล้ความเป็นมนุษย์ดูแล้วไม่ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ใช่เทพพ ย, ยดาไม่มีฤทธิ์มีเดชแต่เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์อันนี้ลองลองสังเกตดูดีๆนะ เราบว่าอาพุทธรูปสมัยสกอไทยก็ดีหรือยุทธยานะั้นเต็มไปด้วยอำนาจพลังอํานาจดูแลังดูศั่งเสียงอย่างพุทธรู ป, ปรพุทธินราชนะดังนั้นแสดงคติทัศน์ในการสร้างเนี่ยผู้สร้างมองว่าพุทธศาสนาอิงอยู่บนอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นสมัยคุปตะนะฮะเขามักจะทําพุทธรูปขนาดมนุษย์ด้วยนะฮะสัดส่วนเท่ามนุษย์ไม่ใหญ่เป็นยักษ์และไม่เล็กจิ๋วเป็นหน้าตักศอกหนึ่งหรือ2ศอก ดังนั้นทัศนคติหรือกระบวนทัศน์ต่อธรรมะที่แสดงออกในทางรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเป็นการพระพุทธรูปเป็นการแสดงธรรมนะครพระพุทธรูปนั้นเป็นเจดีรูปหนึ่งครับอัง น, นั้นเจดีที่เราเห็นเป็นเจดีนะครับแต่องค์พระพุทธรูปนี่คือเจดีอีกลักษณะหนึ่งและเจดีนี้เป็นเจดีซึ่งแสดงธรรมะครับอย่างเราเห็นข้างหลังนี่ที่หลังเรื่องฮารโลนะครับ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 ก็เข้าหอกันไปทีเดียวเดินจากสงขลามานครศรีธรรมราชไปนั่งดูครับเพราะเมื่อได้ดูสิ่งนั้นมันเกิดความเติบโตขึ้นเหมือนเด็กๆดูใบหน้าของแม่ถ้าแม่ใจดีไอ้เด็กก็ใจดีขึ้นโดยไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องรู้อะไรมันเรียนแบบได้ครับ อ, อคิดว่าเวลาล่วงเลยมากแล้วครับ อ, อผมใครจะมาถึงบทสรุปซึ่งไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับเออ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 คลๆท่านสอนในยึดมั่นในตัวท่านแต่นี่เป็นลำดับที่สําคัญมากครับเมื่อเรามีความรักในผู้หนึ่งผู้ใดแล้วเราจะเงี่ยหูลงฟังเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่เราลักนั้นเป็นสัจจบุคคลผู้รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ฟังเอาความจริงเข้าแล้วครับแต่ถ้าผู้ผู้ที่เรารักนั้นไม่ใช่สัจจบุคคลเป็นมายาวีหรือเป็นมายาบุคคลเราก็ฟังเงาอาศักดิ์ธรรมเข้าแล้วครับแต่เราก็จะเจริญไปอี ก, อกทิศทางหนึ่ง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 แล้วเผยแผ่คำสอนมันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยมีอยู่พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดองค์หนึ่งต่อมนุษย์ทั้งโลกนะไม่ว่าเป็นอันเบิร์ไอสไตน์เบิร์ทล์ลเซลคนลนี้ในส่วนลึกเลยยอมสยบต่อบทบาทของพระองค์ท่านนะแต่ว่าโลกของวิชาการนั้นอาจจะเป็นโลกของการดื้อดันทุรังที่จะพิสูจน์ที่จะ ทำให้เป็นวิทยาการมากเกินไปสําหรับทางที่โลกตะวันออกนั้นเราเรียนรู้อะไจะใครเราจะโค้งหวยคนนั้นทันทีแล้วเถิดทูลดังกิริยาของพระมหากัจจายนะหลังจากพระพุทธบริญญาผ่านแล้วกระจายน ะ, ะเสด็จกลับเอ้ยพระกัจจหากระจายนะกลับไปอุจเฉนีเพราะท่านเคยเป็นอํามาตะที่นั้นเป็นบ้านเกิดของท่านผู้คนแห่ห้อมคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสท่านบอกว่า